มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งทำธุรกิจหลายอย่างกิจการกิจการแต่ละอย่างก็เป็นกิจการใหญ่เธอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็จะ ควบคุมงานทุกอย่างเลยมีลูกก็ไม่วางใจลูกนะลูกก็รับคำสั่งอย่างเดียวลูกน้องก็เยอะนะแต่ลูกน้องก็มีหน้าที่รับคำสั่งเธอคิดเองตัดสินใจเองนะพอเชื่อมั่นในความเก่งของตัว และชีวิตเธอก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนะเพราะว่าทำงานหลายอย่างแล้ววันหนึ่งงานโครงการชิ้นหนึ่งก็เกิดผิดพลาดขึ้นมากิจการก็ขาดทุนไปหลายสิบล้านเธอผิดหวังมากแล้วก็ถึงกับเสียศูนย์เลย เพราะว่าเป็นงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกย่ำแย่ขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยนะก็กุ้มอกกุ่มใจมากนะคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จมามากมายเนี่ยไม่รู้จักคำว่าล้มเหลวพอเจอเข้าไปทีเดียวนี่นะเสียศูนย์นะมีบางแหวบเนี่ยช่วงที่กุ่มใจมากๆเนี่ย นึกถึงการฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ไม่คิดถึงขนาดนั้นไม่ตัดสินใจขนาดนั้นพอเสียศูนย์เขาก็เริ่มนะเริ่มกลับมาหันมาไต่ตองชีวิตก็บังเอินได้ข่าวว่ามีโครงการหนึ่งก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนะ ชื่อมหาวิทยาลัยชีวิตแต่ว่าไม่ต้องไปสอบเข้านะใครสนใจก็ไปเข้าเรียนได้เพื่อจะมาเป็นปวิทยากรเป็นวิชาที่ชวนให้ผู้คนเนี่ยหันมาไต่ ต, ตองมองชีวิตส่วนใหญ่คนที่มาเข้าคอสนี้ก็ล้วนแล้วแตมีปัญหาชีวิตทั้งนั้นแหละนะก็ให้มาดูว่าเนี่ยชีวิตเรามีจุดอ่อนตรงไหนมีข้อบอกพร่องอะไรบ้าง เขาก็เห็นนะเออเราก็มีข้อบกพร่องหลายอย่างเช่นใจร้อนเจ้าอารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยได้ออมออีการรู้จักยังคิดเท่าไหร่ออนี้ เขาไม่เพียงแต่ให้คนเนี่ยมามาไต่ตองว่ามีความผิดพลาดมีความบกพร่องอย่างไรแต่เขาให้ทำโครงงานด้วยโครงงานคือว่าทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของตัวที่มันเป็นปัญหาเอาแค่เรื่องเดียวพอบอกกว่าเธอพบว่าเธอมีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งนะ ก็คือกินข้าวเร็วโครงงานของเธอคือเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะปกติเนีเธอกินข้าวเนี่ยมือหนึ่งไม่ถึงห้านาทีโดยเฉพาะข้าวเช้าทําไมกินเร็วรีบกินเพราะว่ามีงานรออยู่นะมีงานเยอะแยะเลยเดี๋ยวประชุมบ้างนะเดี๋ยวติดต่อลูกค้าบ้างสารพัด ก็เลยมักจะ ก, กินเร็วมากคราวนี้เธอก็ร้อนี่คือปัญหาเธอก็เลยนะเอาโครงงานนี่แหละเสนออาจารย์แล้วก็มาเสนอหน้าชั้นทุกอาทิตย์เคี่ยวข้าวให้ช้าลงก็ดูมันหน้าหน้าขำนะเคี่ยวขายให้ช้าลงนี่มันกลายเป็นโครงงานนะของนักศึกษาแต่ว่าทำยากนะเพราะว่า ทุกมือเนี่ยนะเธอก็จะเผือกินเร็วอยู่เรื่อยแต่ก็เตือนใจว่าเคี้ยวไข้ช้าลงแล้วเธอเพราะว่าพอเริ่มเคี่ยวไข้ช้าลงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างแรกคือเริ่มรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันมีรสชาติข้าวเนี่ยนะข้าวเปล่าเนี่ยคือมันหวานแต่ก่อนนี่ไม่รู้รสเลยเพราะอะไรเพราะใจลอยนะใจคิดถึงงาน แล้วพอเคี้ยวค่อยชาลงสักอาทิตย์สองอาทิตย์บอกว่าโรคที่เธอเป็นอยู่เป็นประจำเป็นมาสิบปีแล้วไม่ค่อยหายเท่าไหร่ไม่หายเลยนะอักษานก็ไม่หายก็คือปวดท้องแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มบอกกว่าหายไปเลยนะหายไปเป็นปิดทิ้งเลยนะคนเราเนี่ยเพราะนแสัยว่าเวลากินข้าวเนี่ยใจเธอ คิดเรื่องงานเรื่องการพอคิดเรื่องงานเรื่องการมันก็เครียดพอเครียดเนี่ยก็เลยหายใจก็มีปัญหาคนเราพอคเครียดแล้วเนี่ยการหายใจก็ตื้นนะลมหายใจตื้นแล้วก็ทีพอเคี้ยวข้ายช้าลงนะพยายามวางเรื่องงานเรื่องการหัน ม, มาสนใจอยู่การเคี้ยวข้าวรับ ป, กปากกับอาจารย์แล้วว่าจะทำให้จะเคี้ยวข้ายช้าลงก็ต้องใส่ใจมีสติอยู่การเคี้ยว ไอ้โลกหายใจไม่เต็มอิม่มเครียดนี่ก็ปวดท้องนี่ก็หายไปเลยแล้วความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ตามมาคือว่าพอเธอเคี้ยวค่ายช้าลงเนี่ยก็มีเวลาอยู่บนโต๊ะนานขึ้นสนใจคนที่กินอาหารร่วมโต๊ะแต่ก่อนไม่สนใจเลยนะเคีียวกินอาหารปาใจก็ลอยคิดถึงงานลูกอยู่ในอยู่บนโต๊ะด้วยก็ไม่สนใจ แต่พอเคี้ยวค่ายช้าลงแนละ้วเออต้องเริ่มสนใจผู้คนบนโต้ละซึ่งคนนี้คือลูกนะก็เริ่มมีการทักทายมีการไต่ถามนะวันนี้เป็นยังไงจะไปทำอะไรสุขสบายดีไหมเนี่ยปรากว่าความสัมพันธ์กับลูกเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าได้พูดคุยกันบนโต๊ะอาหารนะและสิ่งที่ตามมาก็คือ เริ่มไว้วางใจลูกนะตอนหลังเนี่ยนะพอทำงานก็เริ่มกระจายงานให้ลูกนะเพราะเริ่มมีความไว้วางใจลูกพอกระจายงานให้ลูกบ้างเนี่ยตัวเองก็มีเวลาว่างมากขึ้นเครียดน้อยลงอีกอย่างหนึ่งนะพอพอพยายามมีสติอยู่การกินการเคี้ยวนะใจไม่คิดเรื่องงานเรื่องการ เธอก็เริ่มใจเย็นขึ้ น, นการพูดคุยกับลูกน้องก็เริ่มดีขึ้นฟังลูกน้องมากขึ้นแต่ก่อนมันคิดข้ามฉอดไปแล้วบางทีใจไม่ไม่ได้อยู่กับลูกน้องเลยใจมันคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอันนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่ไม่เป็นแล้วอยู่ตรงนี้แต่ว่าใจไปคิดถึงข้างหน้าแล้วแต่ว่าพอเริ่มเคียวายช้าลงเนี่ยนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนนะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น มีเวลาฟังลูกน้องมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นความสมัตกับลูกน้องดีขึ้นก็เริ่มไว ห, หวางใจลูกน้องนะงานก็กระจายให้ลูกน้องทำตัวเองก็มีเวลามากขึ้นพอมีเวลามากขึ้นก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่แต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเธอก็ตอบไม่มีเวลาไม่มีเวลานะ นัดไปแล้บางทีก็เลื่อนหรือเลิกนะเพราะว่างงานอ้างงานแต่ตอนนี้มีเวลามากขึ้นแล้วก็เลยไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดตอนหลังไม่ได้แค่เยี่ยมเฉยนะพาไปเที่ยวด้วยเพราะมีเวลามากขึ้นเพราะว่าความสมัยกับพ่อแม่ก็ดีขึ้นความสมัยกับลูกก็ดีขึ้นงานก็เบาลงความเครียดก็น้อยลง เออเธอพบแล้วนะเออความสูงนี่มันมนไม่ได้หายากเลยนะจริงๆมันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแล้วก็ทำได้ไม่ยากนะแค่เคี้ยวข้าให้ช้าลงเนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดีๆหลายอย่างในชีวิของเธออันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทางการที่เธอเลือกทำโครงงานด้วยเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยอยากจะทำอะไร แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปเสนอหน้าชั้นนะมันก็ทำได้ไม่นานแต่เนื่องจากเธอเนี่ยต้องไปต้องเขียนบันทึกนะแต่และ ว, วันแต่และอาทิตย์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ต้องเอาไปเสนอหน้าชั้นนะทุกอาทิตย์ก็ทำให้ต้องพยายามทำให้ได้อย่างที่รับปากเอาไว้นะอันนี้มันเป็นตัวบังคับนะแล้วก็เป็นตัวช่วยในเวลาเดียวกัน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนซึ่งชีวิตเปลี่ยนแปลงได้นะเพียงเพราะว่าเคี่ยวข้ายชาลงหรือปุอย่านก็คือว่ากินอาหารยังมีสติมากขึ้นที่เธอเคี้ยวข้าวเนี่ยเคี่ยวข้าวเร็วๆ เ, เพราะใจเธอไม่มีสตินะปากเคี้ยวแต่ใจนึกถึงงานแล้วนึกข้ามช็อตไปแล้วคนเราเนี่ยแค่ทําอะไรทีละอย่างทีละอย่างนะแล้วก็ทําด้วยความรู้สึกตัวทําอย่างมีสตินะ มันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชี่องเราเนี่ยได้มากทีเดียวผลพวงแห่งการมีสติมันจะค่อยๆกระจายขยายไปจากการที่กินอาหารแล้วมีสุขภาพดีขึ้นนะอาหารย่อยได้ดีขึ้นไม่ท้องอืดเพราะมีสติไม่เครียดไม่ฟุง้งเพราะใจลอยนึกถึงงานทีแรกเนี่ยก็มีสติอาการกินข้าวสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วสติหรือความรู้ตัวมันกระจายไปสู่เรื่องอื่น ไปสู่ความสัมพันธ์กับคนในบ้านไปสู่ความสมากับลูกน้องไปสู่เวลาทํางานทําการก็มีสติมากขึ้นความรู้ตัวก็กระจายมากขึ้นเมื่อเช้าพูดไปแล้วนะว่าชีวิตคนเร า, าเป็นการต่อสู้ระหว่างรู้กับหลงส่วนใหญ่เราปล่อยให้หลงเนี่ยมาม า, ม า, มากินแดนกินพื้นที่ในชีวิตของเราในจิตใจของเราแต่ว่าเราสามารถที่จ ะ, ะเปลี่ยนใหม่นะ ให้ตัว ใ, ให้ตัวรู้เนี่ยมันกระจายออกไปนะสู่พื้นที่ชีวิตของเราเรื่องอื่นๆจากเดิมรู้ตัวเวลาทำวัดสดมนตรู้ตัวเฉพาะเวลานั่งสมาธิเจริญสติก็ขยายไปสู่การรู้ตัวในกิจวัตรอื่นๆของชีวิตนะเช่นกินข้าวก็รู้ตัวนะเวลาจมันจะเวลาจะเผือเคี้ยวข้าวเร็วๆกินข้าวไวๆ เพราะเป็นนิสัยหรือเพราะว่าคิดถึงงานอยากจะให้รีบไปทํางานเร็วๆเนี่ยมีสติคอยเบรกสติมันก็ทำหน้าที่เป็นตัวเบรกตัวชะลอเหมือนกันนะก็มีความรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วพอมีความรู้สึกตัวจนเป็นนิสัยนะในการกินอาหารมันก็จะ ก, กระจายไปสู่ขยายไปสู่ความรู้สึกตัวเวลาทําเรื่องอื่นๆในชีวิตเนะีพยายามนะปล่อยให้พยายามส่งเสริม นะให้ความรู้ตัวของเราเนี่ยมันแพร่กระจายไปเรื่อยๆนะมีฐานที่มั่นนะมีชัยภูมิก็คือเวลาเราทําวัดสวดมนต์เวลาเราเจริญสตินะนี่แหละคือชัยภูมิเป็นฐานที่มั่นอย่างน้อยต้องมีสักสักจุดหนึ่งก่อนแล้วก็จะค่อยๆขยายกระจายไปนะรู้ก็จะชนะหลงนะที่ผ่านมาเราปล่อยให้หลงเนี่ยมันเล่นงานนะตัวรู้เนี่ยจกนกระทั่งสะบักสะบอม แต่ละชีวิตก็ย่ำแยนะ่จากคนเก่งผู้หญิงเก่งก็กลายเป็นคนที่แทบจะเสียศูย์ไม่อยากจะไม่อยากจะมีชีวิตเลยนะเพราะว่าเป็นความยึดติดถือมัน่นความรู้สึกขาดความมัน่ในใจตัวเองนะแต่พอเริ่มทาความรู้ตัวใเกิดขึ้นนะเริ่มจากการกินอาหารจากห้านาทีก็เป็นสิบนาทีให้มีความให้มีสติมีความรู้ตัวนะ แล้วความรู้ตัวก็จะกระจายขยายไปเรื่อยๆอย่าประมาทนะความรู้ตัวแม้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ทําทุกวันทำบ่อยๆ ท, ทําถีๆเนี่ยมันก็จะเกิดขนความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเป็นเพียงแค่การกินหาอะไรมาใส่ท้องเท่านั้นนะมันยังมันยังอาจจะเป็นการเติมสติเข้ามาใน ใ, นใจเติมความสงบเข้าไปในชีวิตของเราได้ด้วย แล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงดีๆที่จะตามมาแล้วก็เตรียมรับพร